ระวังความเสื่อมเสีย13ให้ระมัดระวังความเสื่อมเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะทุกวันนี้ผู้ที่เข้ามาบวชบางทีอาจจะมีตุดมีกระเทยอีแอบให้พระเนนทุกรูปคอยสังเกตการว่ามีใครบ้างออกอาการมากน้อยจะสังเกตได้จากความประพฤติหลายอย่างเช่นการเดินจะออกกระตุ้งกระติ้ง เดินแขวงแขนตะพาเรือสายตะโพกเป็นส่วนใหญ่ไม่มากก็น้อยเวลาพูดชอบจีบ ป, ปากจีบคอพูดเสียงห ว, วานหวานเวลายิ้มจะยิ้มละไมเวลามองชอบใช้หางตามองชอบแอบมองพระเนนหนุ่มๆหมล่อๆหาวิธีคุ้นเคยชอบฟังสาวเบาชอบมีโทรศัพท์มือถือจะรักษาผิวพรรณเหมือนกับผู้หญิงชอบใช้เครื่องสำอาง ใช้อุปกรณ์อาบน้ําเยอะแยะมากมายชอบหาของดีๆสวยๆมาใช้จะไม่ชอบทํางานหนักงานกรรมกรชอบทํางานประดิษฐ์ประดอยชอบงานตกแต่งงานจัดดอกไม้สวนหย่อมจัดสถานที่เวลาเจอพวกเพื่อนลักษณะเดียวกันจะออกอาการเยอะเห็นได้ชัดอาการของจิตเราทุกคนนั้นสําคัญมากทําให้เกิดวิปริได้ต่างๆนานา สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นก็เป็นไปได้เช่นถ้าเราไปตรึกนึกคิดในเรื่องไหนมากๆอาการทางกายก็คอยเป็นไปด้วยถ้าเราคิดรักคิดชอบผู้ชายบ่อยๆเป็นจริตนิสัยฮอร์โมนเราก็เปลี่ยนไปตามความคิดยิ่งการงานก็ชอบงานผู้หญิงทํายิ่งกันไปใหญ่มันยิ่งเสริมเป็นกําลังสองเหมือนอย่างครั้งสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่ง คิดไม่ดีกับท่านพระมหากัจจายนะคือคิดว่าพระมหากัจจายนะท่านนี้มีรูปร่างสง่างามดีถ้าใครได้ไปเป็นสามีคงจะเป็นบุญไม่น้อยกรรมที่คิดอย่างนี้กับท่านพระมหากัจจยนะซึ่งเป็นพระอริยเจ้าทำให้พ่อค้าหนุ่มกลายเพศเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงทันทีเวลาผ่านไปทาให้ต้องไปมีครอบครัวมีลูกก็สำนึกถึงบาปกรรม ที่ตนคิดไม่ดีจึงได้ไปปรารภเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านพระมหากจจยนะทราบแล้วได้กล่าวขอขอมาอาโหสิกรรมจึงทําให้เขาได้กลับคืนมาเป็นเพศชายเหมือนเดิมอันนี้เป็นกรรมที่เกิดจากความนึกคิดบางทีไม่ได้เป็นบันดาะหรือกระเทยมาแต่กาเนิดแต่มันเกิดจากข้านิยมผิดๆที่ชอบทาอะไรตามๆกันคิดตามๆกันอย่างเช่นการเจาะหู การย้อมผมไว้ผมยาวถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ก็พอที่จะแก้ไขได้โดยผู้ที่มีนิสัยการกระทำออกไปทางผู้หญิงต้องเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมใหม่พยายามเดินเหินพูดจาให้ธรรมัดธรรมแมงการงานก็ให้ทําเหมือนผู้ชายอย่าไปจัดดอกไม้จัดสวนหย่อมจัดสถานที่ต้องไม่กลัวแดดกลัวลมกลัวดาไม่ไปคุกคลีคบค้าสมาคม ไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันและแยกตัวออกจากเพื่อนที่มีอาการลักษณะเดียวกันและห้ามไปหยอกล้อจี้จุดผู้ที่มีพฤติกรรมออกไปทางผู้หญิงจะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของเขาสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นบันเดาะเป็นตุดเป็นกระเทยหรืออ e ีแอบก็ให้ระมัดระวังอาการกิริยาของเราเพราะทุกวันนี้ใครออกอาการลักษณะผู้หญิงเขาก็หมาว่าเป็นตุดเป็นกระเทย เป็นอีแอบกันหมดถ้าหากเราต้องไปพักในสถานที่เดียวกันพักรวมกันให้ระมัดระวังอย่าประมาทจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขากระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทำให้เราพลาดท่าเสียทีขาดจากปาเป็นพระต้องอบตยประชิกห้ามสวรรค์มรรคผลนิพพาน